เมเนที่รักทุกรูปในการที่พวกเรามาอยู่ด้วยกันมาบวช ด, ด้วยกันถือว่าเป็นสิริมงคลของชีวิตตั้งใจว่าในฐานะเป็นพระอุปัชฌาย์จะมาพบพวกพวกเรานะแต่ว่ามีงานเยอะมาก เมื่อวานเพิ่งกลับจากเวียดนามกลับจากเวียดนามวันนี้ก็มาพบกับพวกเราวันพรุ่งนี้ก็ประชุมมหาเทสมาคมวันมรืนไปพูดที่ขอนแก่นอ้าวถามไปท้ามาสมเด็จจะศึกซะแล้วก็เลยจะไม่ได้พบกันก็มาคุยกันวันนี้ เรื่องธรรมะพื้นๆธรรมะนี่คือลักษณะที่ดีในใจไม่ต้องไปดูไกลหรอกนะลักษณะคือลักษณะนิสัยดีเนี่ยก็คือธรรมะคนไหนมีนิสัยดีคนนั้นมีธรรมะท่นี้นิสัยดีเรื่องอะไรบ้างนิสัยดีเรื่องอะไรบ้างก็จะเล่าให้ฟัง พระอุปชามีชื่อว่าพระพรหมบัณฑิตนะพระพรหมบัณฑิตที่พูดเนี่ยทีนี้จะเล่าให้ฟังเวลามีน้อยเล่าด้วยภาพกันละกันเขาบอกว่าภาพหนึ่งภาพมีค่าเท่ากับคำพูดหนึ่งพันคำคำพูดหนึ่งพันคำเล่าเล่าเรื่องไปเวียดนามก่อน ไปเวียดนามไปงานนำคณะพระสงฆ์ไปเยี่ยมสำนักพระสังฆราชเวียดนามแล้วก็ไปเยี่ยมประธานาธิบดีประธานาธิบดีคือตำแหน่งสูงสุดของเวียดนามบ้านเรามีในหลวงพระเจ้าแผ่นดินเวียดนามไม่มีพระเจ้าแผ่นดินตำแหน่งสูงสุดของเวียดนามคือ ประธานาธิบดีถ้าเป็นราชอาณาจักรอย่างประเทศไทยเขาเรียกราชอาณาจักรไทยเนี่ยแปลว่าอาณาจักรของพระราชาจะมีพระเจ้าแผ่นดินนะแต่ถ้าเป็นสาธารณสาธารณรัฐไม่มีพระเจ้าแผ่นดินเขาเลือกประธานาธิบดีเหมือนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเลือกตำแหน่งเท่ากับพระเจ้าแผ่นดินแต่ว่าประธานาธิบดีเนี่ย เลือกสี่ปีแล้วก็ตําแหน่งเท่ากับพระเจ้าแผ่นดินแต่ถ้าเป็นราชอาณาจักรไทยเป็นพระเจ้าแผ่นดินตลอดชีวิตมีนายกรัฐมนตรีกัมพูชาหรือเขมรก็เป็นราชอาณาจักรกัมพูชามีพระเจ้าแผ่นดินนะทีนี้ไปเวียดนามก็ไปพบประธานาธิบดีที่ทำเนียบพาคณะไป ทำเนียบเขาจะเป็นสีเหลืองนะเหมือนสีเหลืองนี่สีสูงสุดเหมือนสีผ้าเหลืองเราเนี่ยทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามทาสีเหลือง<ม>แล้วก็ถ่ายรูปหมู่กันนี่อยู่ตรงนี้นี่ น, นี่คนยืนตรงนี้แล้วก็หลวงพ่อยืนตรงนี้คู่กันเห็นไนหะเอาให้ดูพอถ่ายเสร็จก็คุยกันหน่อยนี่คุยกับประธานาธิบดี คุยกันเสร็จก็คณะทั้งหมดเนี่ยก็เข้าไปข้างในเข้าไปในทรรมเนียบเขาเรียกทรรมเนียบประธานาธิบดีเข้าไปก็ประชุมกันคุยกันคุยกันเสร็จก็แลกมอบของขวัญกันนี่ประธานาธิบดีก็มอบของขวัญให้หลวงพ่อเห็นไหมนี่เป็นของขวัญแล้วก็นี่รูปโฮจิมินห์เนะ อดีตประธานาธิบดีของเวียดนามข้างหลังอาจจะมองไม่ค่อยเห็นจอเนาะจอมีนะตงรงนู้นนะเออแต่สมรเนตตาดีกว่าหลวงพ่อเะตาดีก็รูปท่านประธานโฮจิมินเนี่ในห้องประธานาธิบดีเลยแรกนี่ คุยกันนะคุยกันเป็นทางการด้วยคุยกันเป็นส่วนตัวได้นี่เมื่อเมื่อวันซืนพอเสร็จแล้วเมื่อวานก็บินกลับเออก่อนบินกลับไปเที่ยววัดวัดหนึ่งนี่วิหารเขายกที่กรุงหานอยเมืองหลวงาชื่อหานอย ประเทศเวียดนามเป็นเกาะนะเหมือนเขาเขามอ้อเขาเต่าเราเนี่ยของเราเรียกเขาเต่าของเขาเรียกเขาหยกของเรามีเต่าของเขามีตะภาพน้าเออที่จะมาเล่าให้เร น, นฟังเนี่ยนี่มีเกาะเห็นไหมมันไกลหน่อยนี่สร้างมานาเป็นเกาะแค่เนี้ยมีตะภาพน้ำตัวใหญ่ หายยากมีแห่งเดียวในโลกตัวใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนอะ่ะมีตัวหนึ่งที่ตายแล้วเขาเอามาสตา์ฟเอาไว้ใหญ่ขนาดสมเรณ์ขี่หลังได้อะ่ะแต่ภาพน้านะครับไม่ใช่เต่าแต่ภาพน้าเนี่ยมันคล้ายๆเต่าแต่มันไม่มีกระดองมันนิ่มมันไม่แข็งกระดองมันนุ่ม แล้วมันหดไม่ได้อ่าทีนี้ตัวที่เขาสตาร์ทแตหลังจากที่มันตายเนี่ยเขาใส่ตู้เอาไว้ใหญ่ขนาดไหนครับที่ว่าสมณะเรนรขี่ได้เนี่ยสมณเรนรนี่น้ําหนักเท่าไหร่ครับน้ําหนักกี่กิโลครับตัวรู้ไหมกี่กิโลครับบวชแล้วอดข้าวนี่เต้องใส่น้ําหนักรดไม่รู้ใครสามสิบสี่สิบ ให้รู้อ0สมสามสิบโลนะอย่างสามเณรเนี่ยสามสิบโลเตาที่เอกภาพน้ำที่เห็นเนี่ยหนักสองร้อยห้าสิบโลเอ้อนี่ให้ดูรูปโอ้นี่มันอยู่ในในสระเนี่ยแต่นี้ปูมันตายหนักสองร้อยห้าสิบโลเขาเอามาใส่ตู้โชว์ไว้ น, นี่ในสระเนี่ยเขาเรียกสระหยกเพราะน้ำเขียวเหมือนก็หยกเลยมันเขียวขึ้มมนเองนี่ไงเนี่ยเขาใส่ตู้กระจกไว้นี่คนยืนอยู่นี่นะหนักตัวเนี้ยกระดองไอตัวมานเนี่ยสตาร์เอาไว้เนะี่ยหนักสองห้าสิบกิโลกรัมขี่หลังได้อาด้าวดูเทียบกับพระ น, นี่ใหญ่ขนาดไหน เอาสักตัวไหมเอามาเลี้ยงไว้ในเข่ามอเราเนี้ยนะจะได้มาขี่งไงเอาๆนะ <S <S แต่แต่ถามหน่อยมันจะต้องเลี้ยงกี่ปีมันถึงจะตัวใหญ่เท่านี้เนะี่ยหลายปีเนาะเนี่ยสิมันเอางี้สมเณร น, นั่งขัดสมาธิกันนั่งขัดสมาธินั่งกรรมาฐานอานั่งขัดสมาธาิ นั่งนั่งนั่งตัวตรงๆนั่งเออนั่งเอามือวางไว้บนตักจะได้นั่งกรรมฐานไปด้วยดูเต่าได้ตภาพน้ำโหแต่ว่าแต่ว่าเอามาเลี้ยงไม่ได้รู้ไหมในในสระเราเนี่ยเพราะอะไรรู้เปล่ามันไม่ถูกกับลูกเต่าโอ ตาภาพมันอยู่กับตาภาพเต่ามันไม่ถูกกับลูกเตา่าปีที่แล้วนะปีที่แล้วไปไม่ทันดูมันตาภาพน้ำหนักสองร้อยกิโลนะนี่เล็กกว่าตัวนี้หน่อยเขาไปเก็บไว้ที่พิธภัณฑ์อีกที่หนึ่งหนักสองร้อยกิโลกรัมขึ้นมาเกยตื้นตายตายทำไมแผลเวอะหวัหมดเลยนะ แผลเวอวะทำไมแผลเวอวะลูกเต่าอะ่ะมันมากัดกัดตรงนู้นมันกินเน่ยลูกเต่ามันกินเนื้อแตาาอ่ผ้า่ะแล้วแต่ผ้ า, าเป็นลักษณะเป็นรุ่นปูหนีไม่ทันเขาเอาเตา่าลูกเต่าไปปล่อยเนี่ยลูกเต่าตัวเล็กเนี่ยกัดตรงนู้นกินตรงนี้เวอ ะ, วะหมดเอามารักษาแผลไม่หายตายน่าสงสารนะ เนี่ยตาภาพน้ำเนี่ยพระยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยตั้งเนี่ยตัวเบลลมเลยและเขามีตำนานเล่าอย่างนี้ท่านในสระมรกตเนี่ยเต่าตภาพน้ำที่อื่นไม่มีในโลกนะตัวใหญ่ขนาดนี้เลยนะมีเฉพาะที่นี่เนี่ยเขาบอกในสระมรกตเนี่ยเนี่ยสระตรงนี้ ในในสมัยโบราณจีนเนี่ยนะกบไลข่านเจ็ดแปดร้อยปียกทัพมาจะตีเวียดนามมาบุกมายึดครองเวียดนามเสร็จแล้วพระเจ้าแผ่นดินเวียดนามก็สู้สู้กับกษัตริย์จีนฮ่องเต้นนะกองทัพสู้ไม่ได้แล้วก็ ช่วงนั้นเนี่ยมันมีชาวประมงเขามาทอดแหในสระเนี่ยทอดแหได้เหล็กสนิมขึ้นเลยเนาะติดแหขึ้นมาก็เอาไปบ้านไปขัดขัดดูอุยเป็นดาบดาบสวยงามมากเลยคล้ายคดาบวิเศษอะ่ะ เอาไว้ก็ไม่กล้านะบารมีไม่ถึงของดีเนี่ยก็เลยไปถวายพระเจ้าแผ่นดินเวียดนามพระเจ้าแผ่นดินก็ถามว่าได้มาจากไหนบอกเนี่ยได้มาจากสะตรงเนี้ยตอนนั้นยังเจดีตรงนี้ยังใหม่อยู่เป็นหลายร้อยปีมาแล้วนี่บอกไปเนี่ยแกนั่งเรือไปอยู่ตรงเนี้นะยนะแกตกทอดแหแล้วแกก็ได้มาพระเจ้าแผ่นดินพอได้มาก็ฝันเลยบอกว่า เอาดาบเนี่ยไปลบไล่อาริราชศัตรูให้ไปจากเวียดนามก็ยกำลังใจสินำดาบเนี่ยไปลบลบลบเสร็จลบไปลบมาจีนแพออกไปจากเวียดนามกษัตริย์ก็ดีใจต้องมาขอบคุณสะเนี่ยก็นั่งเรือมามาอยู่ตรงนี้ มาเอาดาบวางไว้และกล่าวคำขอบคุณนะสวดมนต์แล้วก็นอนหลับไปนอนหลับฝันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใ ช, ไไไไไใช่ไม่ใช่นอนหลับตรงนี้กำลังกำลังสวดมนต์ขอบคุณเนะี่ยเทวดานะที่ให้ดาบมาแต่ภาพน้ำตัวใหญ่อย่างเมื่อกี้เนะี่ยขึ้นมาเลยงับเอาดาบ ลงไปในทะเลสาบเลยเอาไปเฉยเลยตกกลางคืนมาเข้าฝันว่าให้ยืมดาบไปรบแต่ภาพพูดได้นะตอนในฝันเนี่ยให้ยืมดาบไปรบรบชนะแล้วเลยเอามาคืนเดี๋ยวนี้ก็ยังหาดาบไม่เจอเลยนะอยู่ในสระเนี่ยนะครับ เขาเลือกวิหารเขายกเพราะน้ําเหมือนยกอืก็เลยทําให้นึกถึงนิทานนะไม่ใช่ตาภาพน้ําแต่จระเขนะ้นี่นี่เล่าเรื่องจระเข้ให้ฟังนะจระเข้เมื่อกี้ตภาพนะมาถึงจระเข้บงังจระเข้เนี่ยมัน อยู่ในแม่น้ำมะแม่น้ำว่ายหากินในแม่น้ำแล้วตรงกลางแม่น้ำเนี่ยตรงกลางแม่น้ำมีเกาะเป็นเกาะนะมีต้นมะม่วงต้นไม้ขึ้นนะผ ล, ละไม้ดกเยอะเลยไม่มีใครกล้าไปกินเพราะถ้าว่ายน้ำไปเนี่ยนะเดี๋ยวจร ะ, ะเข้กัดตาย จเค้มันวนบางทีมันขึ้นไปนอนบนเกาะพึงแดดอ้าปากใช่ไหมจระเข้มันชอบอ้าปากเนี่ยไปนอนเสร็จแล้วมีลิงตัวหนึ่งอยู่กันเป็นฝูงริมฝั่งอะนะหาผลไม้กินปรากฏว่าหัวหน้าลิงพญาลิงเนี่ยโดนลูกฝูงแย่งผลไม้กินหมดตัวเองเป็นหัวหน้าก็ต้องยอมใช่ไหม อ้า อ, อยากกินอเอค่ะไปไปเดี๋ยวลูกลิงบ้างหลานลิงบ้งขอหน่อยขอหน่อยพอได้จะกินมาอ้ต้องให้ขนโน้นคนนี้ก็ เ, เลยโหอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีกินอะไรแล้วแจกคนอื่นหมดหัวหน้าลิงว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ามองไปที่เกาะเห็นเกมาะมะม่วงออกลูกน่ากินน่ากินลิงก็เลยบอก เอาอย่างนี้ดีกว่าต้องหาทางไปที่เกาะว่ายน้าไปก็กลัวจระเข้กินก็ไปนั่งมองนะลิงก็ไปนั่งมองริมตะลิ่งริมฝั่งทาไงจะได้ไปนอมาอมม่วงน่ากินออกแล้วนั่งไปนั่งมาก็เห็นน้ำมันลดนะ คล้ายๆน้ําทะเลเนี่ยมันหนุนขึ้นมามันแล้วพอน้ําทะเลลดน้ําแม่น้ํามันก็ลดตามเหมือนน้ําขึ้นน้ําลงที่สะพานพุทธเราเนี่ยมันขึ้นลงตามแม่น้ําน้ําทะเลนะพอน้ําทะเลขึ้นน้ํามันก็ไหลย้อนกลับมาที่สะพานพุทธสะพานพุทธก็น้ํามันก็ขึ้นเขาเรียกพยากรณ์น้ําขึ้นน้ําลงอ่ะสะพานพุทธอะน้ําขึ้นเต็มที่ที่สะพานพระพุทธยอดฟ้านะโทรทัศน์มันก็จะพูดวิทยุก็จะพูด เวลาเท่านั้นไม่ใช่ละน้ำทะเลมันขึ้นพอน้ำทะเลขึ้นน้ำที่จะไหลลงทะเลมันก็ไปช้ามันก็ตักอยู่ตรงนี้ขังไว้มันก็ขึ้นพอน้ำทะเลมันลดน้ำทะเลลดน้ำมันก็ไหลลงทะเลน้ำที่สะพานพู่มันก็ลดลงแบบเดียวกันเลยไอ้น้ำเนี่ยตอนเช้ามันลดน้ำที่รอบๆเกาะเนี่ยมันลด แล้วเป็นยังไงก้อนหินมันก็โผล่ในแม่น้ําก้อนหินโผล่มาอยู่ก้อนหนึ่งนะลิงก็เลยตีลังกาเลยนะหยียบก้อนหินเนี่ยแล้วก็ดีตัวลงไปอีกทีหนึ่งก็ไปถึงเกาะพอดีเลยนี่ไปกินมะม่วงสบายเลยทั้งวันกินอยู่ตรงนั้นเนี่ยท้องป่องเลยไม่มีใครแย่ง เพราะาตัวอื่นโดดไม่ถึงโดดก็ตกน้ำหมดแต่ไอ้ลิงหัวหน้าเป็นลิงพระโพธิสัตว์ตีลังกาเหยียบสวิงต่อไปอีกทีนึงสปริงตัวปุ๊บขึ้นไปเลยไปถึงเกาะพอไปถึงเกาะกินเสร็จเอออยู่คนเดียวเงียบเหงาไม่มีใครคุยต้องมาที่ตะลิงที่ฟังจะ ก, กลับยังไงเอามาันมาที่เดิมอีกล้ ตอนกลางวันน้ามันขึ้นเน่ยท่วมเลยท่วมไอ้ก้อนหินเนี่ยพอตกเย็นไอแ้แหละน้ําลดอีกแหละก้อนหินโผล่พอก้อนหินโผล่ลิงก็โดดอีกล้สปริงตัวเหยียบก้อนหินตีลังกาปื้ดกลับมาอยู่กับครอบครัวเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยแข็งแรง จระเข้ที่อยู่แถวนั้นเนี่ยก็ไม่ได้สนใจหรอกแต่มันมีจระเข้ตัวเมียนะตัวหนึ่งมันแพ้ท้องอยากกินหัวใจลิงขึ้นมาอีกเอออยากกินหัวใจลิงทําไงดีก็เลยไปบอกจระเข้ตัวผัวนะจับลิงให้หน่อยสิเอา้าเอามาทําไมละน้องอยากกินหัวใจ แพ้ท้องน่ะโอ้โหมันจะจับทันที่ไหนมันไวยังกระลิงเนอะอยากกินอย่างอื่นไม่ดีกว่าเลมันง่ายจับง่ายกว่าจับลิงมันยากโอ้นถ้าไม่ได้กินหัวใจลิงเนี่ยน้องจะตายแน่แนเลยมองมันโดดทุกวันเลยอยากกินจระเข้ทนเมียลบเล้าไม่ไหวใช่ไหมก็เลยเอา้าจับก็จับ ก็ไปนั่งไอ้ไปไปมองนะไปลอยโผล่แต่ลูกกระตานะเจรเข้เวลามันลอยมันมาดูลิงริมฝั่งไอ้ขน่าลิงตัวใหญ่กับเพื่อนเลยแล้วก็เห็นนะเหมือนฮันุมานเลยเนอะมันโดดปุ๊บเหยียบก้อนหินปุ๊บแล้วก็ตอนเย็นก็กลับมาลิงลิงมันทําอย่างนี้ทุกวันเจรเข้ศึกษาพฤติกรรมของลิงโอ้ มีทางแล้วก็มันโดดมาเหยียบก้อนหินเนี่ยเราไปดักจับมันนี่ตรงที่เหยียบก้อนหินดีกว่าก็เลยออกอูบาบนะออกอูบายยังไงตอนเย็นเพราะลิงมันจะโดดกลับมาเหยียบก้อนหินระหว่างตะลิงกับเกาะก้อนหินมันโผล่ตอนเย็นนี่ตอนเช้าก็ตอนเย็น เราก็ไปหมอบนะจระเข้ดึงในใจนะเราก็ปีนไปนอนทับก้อนหินเลให้ลิงเนี่ยมันโดดเหยียบหลังเราเพราะเราอยู่บนก้อนหินไงพอลิงมันโดดเหยียบหลังจระเข้จระเข้ก็ทำไงฟาดหางเลยสิออมันเร็วนะจระเข้ฟาดหางปึงตีให้สลบจมน้ำตายเลยเออตกน้ำตกน้ำก็ข้าไปให้เมียกินหัวใจ โอ้ได้ไอเดียทีนี้จระเข้ก็พอตกตอนเย็นๆใช่ไหมลิงมันจะโดดกลับมาจระเข้ก็ไปนอนทับก้อนหินลิงเนี่ยเป็นลิงที่มีสมองนะสมองใหญ่นะช่างสังเกตเอ ไอ้เวลาเราโดดเราต้องคำนวณ น, นะถ้ามันสูงแค่นี้เราต้องโดดสูงอย่างนี้ถ้ามันน้ำมันต่ำอย่างนี้มันต้องโดดอย่างนี้เอ้วันนี้ทำไมก้อนก้อนหินมันสูงผิดปกตินะมันจะโดดยังไงอะเนี่ยก้อนหินเนี่ยก็เลยมองไปเอสงสัยมันจะไม่ใช่ก้อนหินละมั้งมันจะมีอะไรแปลกปลอมมามก็เลยตะโกนถาม พี่ก้อนหินพี่ก้อนหินสบายดีเหรอเงียบไม่ตอบจร์เข้ก็งงนี่ทำไมลิงมามาทักทายก้อนหินพี่ก้อนหินลิงพูดอีกทำไมวันนี้ไม่รู้จักพูดจักจาไม่สบายเหรอออจร์เข้นึกในใจถ้าเราไม่ตอบนเดี๋ยวมันไม่มาเนาะลิง ก็ถามอีกพี่ก้อนหินสบายดีเหรอจอระเข้เลยตอบสบายดีเฮลิงตะโกนก้อนหินอะไรพูดได้โอหเสียท่าแล้วนะก้อนหินอะไรพูดได้โตอะไรกันเนี่ยจะะอร์เค้เอ้าแล้วมานอนขวางทางทำไมเล่าจะจับลิงจับไปทำไม เมียอยากกินหัวใจลิงเเมียจรล็อคน่ะแพ้ท้องลิงก็เลยบอกโอ้ยแน่จริงก็มาไล่จั บ, บันนี้สิไปนอนอยู่ทำไมล่ะกวดไม่ทันจะนอนอยู่ตรงเนี้ยถ้าลิงไม่กลับขึ้นฝั่งก็แล้วไปกลับเมื่อไหร่นะโดนจับเมื่อนั้นลิงก็คิดโอ้จริงเนาะมันไม่มีทางอื่นนี่มันต้องโดดต้องโดดตรงเนี้ย และถ้าเกิดไม่โดดไปก็นอนตัวเดียวอยู่ตรงนี้ ว, ว้าเหวเดียวใดทํำยังไงดีไม่มีใครหาหาไว้เลยโอ้ลิงมันต้องมีคนเก็บหาให้เนาะทีนี้ลิงก็เลยบอกเอาอย่างนี้มีอุบายพี่จอระเข้ไม่ต้องไล่จับผมหรอกครับผมจะโดดเข้าปากเลยโดดเข้าปากพี่ โดยเข้าปากไม่ต้องเสียแรงไล่กรวดลิงพี่ก็จะได้งับพาผมไปให้เมียกินหัวใจจร์เก้บอกโอ้โหบริการถึงที่เลยเนาะก็เลยอ้าปากเลยนี่ภาพนี่ตอนนี้นอนอยู่เนี่นะอ้าปากตอนแรกนอนนะลิงลิงบอกพี่หันมาทางผมนี่อ้าปากเลยรอโดยเข้า เข้าปากเวลาจระเข้อาปากเป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมโอ้เวลาจระเขอาปากมันหลับตาหรือลืมต า, มตานี่ทำไมมันลืมตาละนี่โอ้มันลอลิงเนาะมันลืมตาเมื่อลืมตาแต่ถ้าลิงอยู่ข้างหน้านี่ปากมันจะบังถูกไหม มองไม่รู้เลยว่าจะโดดเมื่อไหร่ถ้าโดดข้างๆนี่ลิงจระเข้เห็นทีนี้มัวร์อ้างี้ใช่ไหมลิงก็เหยียบโดดเลยเหยียบจมูกมานี่นี่เหยียบจมูกแล้วก็ตีหลังกาหนีไปเลยจระเข้าฟาดหางไม่ทั น, นเห็นไหมนี่โดดปึง้งโอ้โหเหาะระริ้วไปเลยจระเข้โมแต่อ้าปากรอจับไม่ทัน จับไม่ทันลอดพ้นไปเลยเนีย่เอาละที่ลิงลอดไปเนี่ยลิงต้องมีธรรมะในใจสี่อย่างเขาเรียกธรรมะพื้นฐานใครไปเจออะไรยังไงเนี่ยนะต้องมีลักษณะสอย่างอย่างที่หนึ่งนะลิงจะต้องพูดจริงทำจริง เรียกจริงจังลิงบอกจระเข้ว่าจะโดดโดดไหมโดดนี่แสดงว่าลิงมีสัจจะพูดว่าจะโดดก็โดดและลิงมีอะไรอีกนี่ธรรมะมันโดดอยู่ทุกวันนะมันโดดแล้วมันเป็นองมันเม่นมันฝึกโดดไปโดดมาโดดไปโดดมานี่มันเหยียบเม่นเนยถ้าเกิดพวกเรานี่บอกว่าจะโดดเนี่ยว่าจะเหยียบจมูก จละเค้ดีไม่ดีโดเข้าปากนะเพราะมันไม่ได้เอ็กซ์ไซส์ใช่หมมันไม่ได้ออกกำลังไม่ได้ฝึกไว้เหมือนเรานักเรียนเนี่ยแหละจะไปสอบเนี่ยออทำแบบฝึกหัดไปเรื่อยๆข้อสอบออกมามันง่ายแต่ถ้าเราขี้เกียจไม่ได้ฝึกไม่ทำเอ็กซ์ไซส์เดี๋ยวก็ตกสอบตอบผิดนี่คือข้อ2ข้อสามลิงรอได้อดทน ไม่ใช่ผีผาลามนะนึกจะโดดก็โดดจระเข้มันจะฟาดเอาสิลิงเนี่ยรอนะรอให้คุยหลอกล่อหลอกลอก่อหลอกไกลคุยไปคุยมาพอจระเข้เผลออ้าปากปุ๊บโดดนะโดดเลยตากล้องไปไหนแล้วมาถ่ายเนียนเยอะๆทางนี้เลยสิท่านถ่ายแต่ธ น, นุมาถตงนี่มัง้งถ่ายไปเนี่องค์เนี่ย พูดตีลังกาหลออดทนและสุดท้ายลิงต้องกล้าได้กล้าเสียการที่โดดไปเหยียบจมูกจระเข้เนี่ยมันเสี่ยงนะอาจจะเข้าเข้าไปในปากจระเข้ก็ได้เพราะฉะนั้นจะต้องใจถึงสี่อย่างนะ หนึ่งสัจจะลิงเนี่ยพูดจริงทำจริงก็คือจริงจังสองธรรมะลิงจะฝึกฝนอยู่เรื่อยๆฝึกตนสามขันติอดทนสี่จากะเสียสละอย่างสมณีนมาบวชนี่จะครบกำหนดอยู่แล้วบวชจริงอยู่จริงปฏิบัติจริงพวกที่ใจไม่สู้ออกไปแหละเห็นไนหะ สู้เราไม่ได้เนี่ยพวกเรานี่อยู่กันจริงจังแล้วมาอยู่ที่นี่นี่พาไปบินทบาทพาไปสวดมนต์มานั่งฟังหลวงพ่อสอนต้องฝึกฝนถ้าไม่ฝึกตนสวดมนต์ไม่ได้นั่งกรรมาฐานไม่ได้แล้วอดทนไหมครับโอ้อยู่ที่นี่อดทนถ้าไม่อดทนก็อยู่ไม่ได้แล้วเสียสละไหมเสียสละสิไม่งั้นเราก็ไปได้ไปวิ่งเล่นแล้วเราไม่ แต่เราอยากจะบวชให้ถวายพระราชกุศลในหลวงและจากการที่ก้าวเราอยากจะบวชให้พ่อให้แม่ให้ปู่ให้ย่าเราก็ต้องเสียสละเอาสรุปแล้วที่สามเนินมาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เหมือนพระโพธ่สัตว์ที่ไปลิงมีธรรมะสี่ข้อ อ, อ่านพร้อมๆกันนะข้อหนึ่งสัตว์จะจริงจังข้อสองมาฝึกตนข้อสา อดทนข้อ4ี่จากเสียสล ะ, ะจําให้ดีนะครับที่สำนักงานธรรมะอะไรสําเร็จเนี่ยจะต้องมี4ี่ข้อจะเรียนหนังสือให้จบก็ต้องเรียนจริงแล้วทําแบบฝึกหัดจริงอดทนรอได้ตอนแบบฝึกหัดอย่าไปเที่ยวเล่นหรือดูทีวีเล่นเกมต้องทําให้เสร็จแล้วเสียสละความสนุกชั่วคราวแล้วเดี๋ยวค่อยไปเล่นเอาอีกทีครับข้อหนึ ข้อสองข้อสามข้อสี่อ้าวทีนี้ให้ดูเรื่องพระสุเิเรื่องสัจจะนะใครเอานาฬิกามาให้ดูหน่อยสิยังไม่รู้เวลาเอาอยู่ที่ไหนอะอยู่ไหนอะผมไม่เห็นอะ เอามาตั้งไว้ตรงนี้จะได้รู้เวลาเดี๋ยวสมณีนอดเพนอ่านะดูเรื่องสัจจะบ้างจริงจังนะพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตชาตินะเป็นดาบทดาบทคือเหมือนลือีเนี่ยนุ่งหนังเสือสมณีนเดี๋ยวนี้เขาไม่นุ่งหนังเสือนะ เราเราห่มจีวรแต่ดาบทเสือเหลืองทำไมเขาน่งห่มหนังเสือรู้ไหมเพราะอยู่ในป่าไงใครเป็นเจ้าป่าล่ะเสือเออเสือในอินเดียเนี่ยเสือทีนี้ถ้าเรามีกลิ่นสาบเสือนี่สัตว์ อ, อื่นหนีหมดเลยเนะอะนึกว่าเสือมาที่ไหนได้ลูสีเออเราก็ทีนี้ลูสีเนี่ยมีหนังเสือใช่ไหม วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยก็ดาบทเนี่ยชื่อซูเมะดาบทลงมาจากป่าหิมะพานนะมาที่หมู่บ้านมาเจอคนกำลังทําถนนอยู่ไปถามว่าทาถนนทำอะไรครับวันนี้พระพุทธเจ้าจะเสด็จมาพุทธเจ้าในสมัยก่อนเนอะนานมาแล้วชื่อพระทีปังกรพุทธเจ้า พระทีปังกอพทีเจ้าเสด็จมาพวกเราเลยอนถ ม, ถมโคลนตมทำถนนหนทางให้เดินสบายพร้อมพระทั้งหลายแล้วทำเสร็จหรือยังยังเหลืออีกหน่อยเดียวลือสีดาบทเนี่ยนะบอกผมขอผมอยากได้บุญนะให้ผมทำเถอะยาวสักสองสาวาเนี่ยแล้วให้ผมทำผมจะได้ได้บุญบ้างอย่าทำพวกพวกท่านทำเยอะแล้วชาวบ้านก็เลยตกลงให้ ดาบดเนี่ยสุเมธาดาบดเนี่ยทำถนนเวลาทำถนนนี่ต้องไปขุดดินมานะแล้วก็มาถมโคลนตมให้เสมอกันกับที่ชาวบ้านเขาทำมาตลอดยาวเลยนะับเป็นครึ่งกิโลเนี่ยพอมาถึงเรื่องนี้มันแหวงใช่ไหมแหวงสุเมธาดาบดททำไงโอยจะต้องทำอา่าก็ไปขนดินหมากเดินหอบแพกแกอายุก็มากแล้วเหลืออยู่หน่อยสักขนาดวาหนึ่งได้ ยังไม่เสร็จมีโครนอยู่พระพุทธเจ้าเสด็จมาตามถนนแหละเดินมาพร้อมกับพระเป็นแถวดาบด ท, ทันถนนไม่เสร็จพระพุทธเจ้ามาถึงพอดีแล้วจะทำยังไงถ้าเกิดปล่อยพระพุทธเจ้าเดินลงไปโครนตมเท้าเปื้อนชาวบ้านก็จะลุมด่าว่าอุตสาหให้ทำแล้วทำไมไม่รับผิดชอบ ดาบดเป็นคนรับผิดชอบรับผิดชอบแปลว่าอะไรพูดจริงทําจริงคนรับผิดชอบนะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยสมมติถึงเราเป็นเด็กเลยนะแต่ถ้าเราเป็นคนรับผิดชอบคือพูดจริงทําจริงเช่นคุณคุณแม่นะบอกออไปโรงเรียนนะไปบอกคุณครูว่าอย่างงั้นอย่างนี้เอาสตางค์ไปใช้นี่ไปไปคืนเขาเด็กบางคนไม่รับผิดชอบเอาสตางค์ไปเล่นซื้อเกมเล่นเกม หรือไปซื้อขนมกินอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสัจจะพูดอย่างทําอย่างต่อไปพ่อแม่ไม่เชื่อถือครูบาอาจารย์ไม่เชื่อถือไม่รับผิดชอบแต่แต่ทำไมแต่สุเมธนบทเป็นคนรับผิดชอบพูดจริงทําจริงเมื่อพระพุทธเจ้ามือถึงทําถ น, นดไม่เสร็จทํำยังไงไหมปฏิภาวน่งวงวาคิดเลย ก็ถนนมีไว้ทำอะไรให้คนเดินข้ามถนนไม่เสร็จไม่เป็นไรทำสะพานแทนเออถนนไม่เสร็จก็ทำสะพ า, านทำสะพานทำยังไงเอาไม้มาก็ไม่ทันเลยเอาตัวเป็นสะพานปูนะปูหนังเสือบนโคลนนะแล้วตัวเองก็นอนทับโคลน น, นอนทับบนหลังเสือ นี้มนพระพุทธเจ้าเนี่ยเหยียบเลยเหยียบบนลำตัวเนี่ยนะเหยียบหัวด้วยข้ามไปเลยอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยเหยียบข้ามไปเลยไม่ต้องเปื้อนโคลนนะพระบาทของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่เปื้อนโคลนเลยเท้าไม่เปื้อนพอข้ามไปเสร็จพระพุทธเจ้าถามว่าพรพุทธเจ้าทีปังกรถามว่าที่ทําบุญใหญ่เนี่ยประสงค์อะไรสุเมธาดาบท บอกว่าไม่ประสงค์สวรรค์สมบัติคือไปเกิดเป็นเทวดาไม่ประสงค์มนุษย์สมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรืออะไรนะไม่ประสงค์นิพพานหรือเป็นพระสาวกพระอรหันต์เอาแล้วประสงค์อะไรอยากเป็นพระพุ้เทอเจ้าเหมือนพระองค์นี่แหละขอเป็นพระพุทธเจ้าอย่างอื่นไม่อยากเป็นที่นอนเป็นสะพานเนี่ย พระพุทธเจ้าบอกเอางั้นตั้งจิตอธิษฐานเลยเวลาเราทำบุญเราต้องอธิษฐานนะขอเป็นพระพุทธเจ้าอธิษฐานดังๆตั้งสัจจะอธิษฐานเลยสุมเมธาดาบทเนี่ยนะตั้งสัจจะอธิษฐานพออธิษฐานเสร็จพระพุทธเจ้าก็บอกเอวังโหตุขอให้สำเร็จสมกับความปรารถนาที่ตั้งไว้ตั้งแต่นั้นมานะสุมเมธดาบทตายแล้วก็ไปเกิด เกิชาติเกียชาติเราเรียกว่าพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์แปลว่าผู้มุ่งโพธิญาณแปลว่ามุ่งการตัดสู้เช่นเป็นพระเวสสันดรก็เป็นพระโพธิสัตว์เป็นอะไรต่างจงกระทั่งมาตัดสุ้เป็นพุทธเจ้าคนจะทําอะไรสําเร็จต้องไปอธิษฐานนี่ที่วิหารหลวงพ่อนาคนาะสามเองตอนนี้ไม่ค่อยมีแตะก่อนเนี่ยตอนนี้เขาซ่อมอยู่ไข่เต็มหมดเลย ไข่ไก่เนี่ยนะเป็นร้อยๆฟองเนี่ยมาแล้วมาวางบางทีหลวงพ่อไปเห็นก็อ้าวเอาไข่ามาทำไมล่ะมาอธิษฐานอยากได้งานมาขอพรหลวงพ่อพุทธนาคพอได้งานขึ้นมาเอาไข่มาถวายนะบางคนคนไม่ยอมมาใช้นี่เอาเงินไปะนะนี่ไปสัมภาษณ์เจอจริงเลยนะ คนเอาเงยืมเงินไปทั้งหลายหมื่นแล้วมันหนีหนีไม่รู้ทำไงเลยมาอธิษฐานบอกขอให้มันเปลี่ยนใจมาใช้นี่กลับไปนะมันเอามากลับไปบ้านไม่กี่วันมันเอามาใช้นี่จริงๆโอ้ได้ตามอธิษฐานเลยเอาไข่มาวางไว้อา่าบางทีนักเรียนมาแล้วอยากสอบเอนทรานสเข้ามาหาวิทยาลัยได้มาขอพอหลวงพ่อพุทธนาค พอพอเข้าได้ก็เอามาตั้งหม้มีบ่อยเราจะทําอะไรต้องไปขอพรตั้งจิตอธิษฐานนะอยากเป็นคนดีคนเก่งให้พ่อแม่รักครูบาอาจารย์รักไปขอพรตอนนี้เขาไม่ให้เข้าแล้วเขาซ่อมก็มาขอพรหลวงพ่อพระประธานในพระอุโบสถนะอันนี้เขาเรียกตั้งสัจจะอธิษฐานนี่นี่เรานี่เมื่อกี้นี่นี่ที่โซเมธดาบทเนี่ย เยียบหลังอา้าวทีนี้สัตยธรรมะผ่านไปนะเรื่องขันติผ่านจะเล่าเรื่อง เ, อเรื่องขันติกบสองตัวทำอะไรเราต้องมีความอดทนนะอดทนเหมือนกบสองตัวเนี่ย กบสองตัวนี่นะมันอยู่ในโลมันอยู่ในสระน้ำใหญ่วายน้ำเล่นกันอยู่ในสระใหญ่น้ำเย็นใสวันหนึ่งไอ้เพื่อนกบมันชวนชวนกันนะเฮ้ยเราไปเที่ยวกันดีกว่าออกจากสระน้ำไปนะเนี่ยสระน้ำเนี่ยมันมีมันมีโรงนาอยู่นะนูน่นมีฟาร์มมีโค เราไปดูหน่อยอยู่ในสระมานานมันเบื่อไปเที่ยวกันก็กบสองตัวกระโดดตามกันตั้งๆไปไปเห็นวัวไปเห็นชาวนากลัววัวเหยียบก็หลบเข้าไปในโรงนาโรงนาใหญ่แบบนี้นะโรงนาในโรงนาเนี่ยอากาศมันหนาวนะ ป, ประเทศฝรั่งเนี่ยนะหิมะหน้าหนาวอะ แต่ตอนนั้นไม่มีหิมะแต่มันยังหนาวอยู่หิมะเพิ่งละลายก็เข้าไปในโรงนาในโรงนานี่มันก็ไม่มีอะไรหรอกนะแต่มันเป็นลังไม้ใบใหญ่เลยนะลังเลั ง, ลงลังใบใหญ่เลยถังใบใหญ่เลยถังบลุ่มเลยมีไม้พาดอยู่ข้างนอกกบก็โดดตามไม้ตักไปอยู่บนปากถังปากถังมองลงไป เห็นน้าขาวๆเนี่ยอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยมองลงไปเห็นน้าขาวๆเฮ้ยมันน้าอะไรนะเราอยู่ในสระไม่เคยเจอน้าแบบนี้เลยโอ้เลยบอกเอางี้ไหมเราลองโดดลงไปดูว่ามันเป็นน้าอะไรเออเผื่อจะเป็นน้าศักดิ์สิทธิ์ว่าแล้วก็โดดปั๊มลงไปทั้งสองตัวเลย พอโ ด, นะโดดลงไปนะโดดลงไปดำไม่ได้หายใจไม่ออกมันน้ำขุนน้ำนมน้ำนมที่เขาไปรีดนมวัวเนี่ยนะเอามาใส่ไว้เอามาใส่น้ำนมขืนไปดำผุดดำว่ายนีย่หายใจไม่ออกตายกบเสร็จเลย แล้วแล้วจะโดดออกอยังไงสูงเกินนะโอมันไม่มีที่สปริงนะไม่มีที่สปริงตัวเหมือนจระเหมือนลิงตอนนั้นมันมีแต่น้าอย่างเดียวยังไม่มีไอ้ตรงกลางอย่างนี้หรอกมันก็เตรียมจะโดดโดดเท่าไรมันก็ตกลงมาตกลงมาจนไอ้กบตัวแรกบอกโอยฉันหมดแรงแล้วไม่ไหวดีกว่าเลยจมน้ำนม ตายไปเลยไม่อดทนแต่กบตัวที่สองเนี่ยมันยังมันไม่ยอมแพ้มันเอาตีนตะกุยไปเรื่อยวนกวนไปเรื่อยนะนน้ํานมเนี่ยตะกายตะโกนไว้เรื่อยจนน้านมเนี่ยมันวนเข้ากลายเป็นก้อนเนี่ยเห็นไหมนี่ก้อนเลยมันหน้าหนาวด้วยน้ํานมมันจับเป็นปึกอยู่ตรงกลางกบก็เลย ขึ้นมาบนภูเขาที่น้ำนมเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยแล้วก็ซบอยู่บนี้ก็โดดออกมาได้นี่ทนหลอได้ทนลำบากทนตากตราทนเจ็บใจนี่คือขันติเหมือนพวกเราที่อยู่ที่นี่ต้องมีความอดทนทนแล้วก็เรียนหนังสือนะเรียนหนังสือมีสติปัญญา แล้วเจออะไรก็ตามเวลาเรียนตั้งใจเรียนนะตั้งใจฟังตั้งใจจํานําเอาไปใช้ท่นี้จะเล่าเรื่องสุดท้ายให้ฟังเป็นเรื่องจริงนะในภาคใต้เนี่ยสามเณรดูภาพอาจจะมองไม่เห็นเนี่ยนี่ภาพซ้ายมือนี่ที่พังงานนะโกดคลื่นยักษ์มาคลื่นยักษ์นี่ ท, ท่วมเวลามานี่ท่วมยอดมะพร้าวเลยนะ คลสุดแห่งนี้เมื่อปี247เนี่ยสมัเนเกิดยางครับ247ยางเลยเกิดจริงๆตอนนั้นปี247คลื่นมันมานะไม่เคยมีมาเลยประเทศไทยเพิ่งมีครั้งแรกท่วมต้นมะพร้าวเลยคนตายเนี่ยเฉพาะที่ภาคใต้ 4,000 คน 4,000 คนนะ เขาเลือกเซนามิแปลว่าคลื่นยักษ์ทีนี้ตอนที่มันเข้ามาประเทศไทยเนี่ยมันมาจากแผ่นดินไหวที่อินโดนีเซียเพราะแผ่นดินไหวที่นู่นคลื่นมันก็มาจากอินโดนีเซียมาถึงประเทศไทยเลยเดี๋ยวนี้ไม่ต้องกลัวแล้วเขาจะแจ้งก่อนแหละสมัยก่อนเราไม่รู้ไปอยู่ชายทะเลไม่มีใครบอกไม่มีอะไรเลยเลยน้ําท่วมตายเยอะเลยทีนี้สังเกตไหณทะเลอยู่ตรงนี้นะ นี่ชายฝั่งก่อนคลื่นจะมานี่มันจะเป็นสีเขียวอย่างนี้สีเขียวพอคลื่นมาแล้วเนี่ยนี่เขาถ่ายภาพหเห็นต้นไม้ตายหมดเลยนะคลื่นมันซัดปุ๊บป๊๊บเนน้ำทะเลมาเนี่ยน้ำมันเค็มนะต้นไม้ไม่เหลือเลยโดนคลื่นยักษ์ซัดเป็นกิโลเลยบ้านช่องไม่เหลือทีนี้นี่บ้านพังคลื่นยักษ์เนี่ย เหลือแต่บ้านตึกแต่ บ, บ้านไม้นี่มันยกไปทิ้งมาเลยท่นี้พอบ้านพังใช่ไหมพระที่เรียนมหาจุฬากับหลวงพ่อเนี่ยอยากจะไปช่วยชาวบ้านก็มาลานะบอกเดี๋ยวจะไปสวดมนต์ไปปลอบใจไป เ, เทศสอนชาวบ้านไม่ให้เสียใจที่คลื่นยักษ์มาขอลาก็ก็เลยไปกันไงอพอไปใช่ไหมพอพระไป หลวงพ่อก็ต้องไปเยี่ยมดิไปเยี่ยมดูว่าพระเขาอยู่กันยังไงก็ไปที่ที่เห็นเนี่ยเนี่เนี่ยปรากฏว่าคลื่นยักษ์เนี่ยมันซัดไม่ใช่ซัดบ้านพังนะนะมันซัดเรือนะเรือเหล็กเรือทหารเนี่ยเนี่ยต้นไม้ที่หายไปเนี่ยโดนคลื่นยักษ์ถอนไปหมดเลยเรือเนี่ยเรือลาดตระเวนเนี่ยนะมันยกมาเลยนะนี่ยกมานี่มาวางเอาไว้ ครุ่นเนมันยกมาได้มันแรงมากนี่คนตายพระก็ไปสวดมนต์ให้เนี่ยไปสวดมนต์พระนิพระนิสิตมหาจุฬาไปสวดมนต์ปลอบขวัญชาวบ้านนี่หลวงพ่อก็ไปเยี่ยมแต่ปีว่าเยี่ยมเอาเอาของบรรทุกเครื่องบินไปนะสี่ใบพัดไปแจกชาวบ้านไปไปกันไปเยี่ยมนี่นี่ขึ้นเครื่องบินไปเลย เอาของไปช่วยเวลาชาวบ้านเขาเดือดร้อนเครื่องเครื่องบินไปนี่ไปเจอหมอพรทิพย์นะเขาไปช่วยเก็บศพคนที่ตายก็ไปเยี่ยมเขานี่ต้นมะม่วงต้นนี้ถ่ายรูปมาเองนะมันอยู่ริมทะเลห่างจากแม่น้าเนี่ยห่างจากทะเลเนี่ยสิบสิบเมตรตอนคลื่นมานี่มันสูงท่วมต้นมะม่วงต้นนี้เลยนะ คนโดนคลื่นซัดมามาเกาะต้นมะม่วงเนี่ยสิบคนไม่ไปไหนเลยเกาะแน่นเลยจนน้ําลดลอดตายสิบคนมะม่วงยอมตายนะเสียสละคนรอดนี่ต้นมะม่วงเนี่ยเคยเห็นเรือชนบ้านไหมนี่เรือเรือชนบ้าน บ้านหลังนี้เนี่ยนะห่างจากชายทะเลเป็นร้อยเมตรเหมือนแม่น้ำาจะพยาเนี่ยเพราะคลื่นยักษ์มามันยกเรือหนักเป็นตันๆเนี่ยนะขึ้นฝั่งแล้วเอาเรือมาทิ้งไว้ตรงนี้น้ำมันก็ลดเรือไม่ไปตามน้ำไม่กลับอยู่ตรงนี้พอเจ้าของบ้านมาเรือมาชนบ้าน พอดีไปถึงก็เลยไปถามเขาบอกว่าเอาแล้วบ้านใครแล้วเนี่ยบ้านผมแล้วเรือใคร่ะเรือผมมันกลับบ้านถูกพระคุณเจ้าบ้านเป็นร้อยหลังมันไม่ไปนะมันกลับบ้านตัวเองนี่เห็นไหมบ้านก็ไม่พังด้วยมาลักกันเหลือเกินนะมาแตะเฉยๆนะี่เช็คแฮนกันนี่นี่เจ้าของบ้านบอกโอ้ เรือมันไม่ทําให้บ้านผมพังเลยมันอยู่ด้วยกันได้จนบัดนี้เนี่ยเรือชดบ้านนะแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้นะอายุสิบขวบนะอายุสิบขวบเป็นฝรั่งมาเที่ยวเมืองไทยตอนมีสึนามิพอดีเลยเออมาเที่ยวเมืองไทยตอนมีสึนามิเป็นคนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยเพราะอะไร ดังไปทั่วโลกยูเนสโกเอาไปเผยแพร่ไปโฆษณาเพราะมาเมืองไทยตอนสึนามิเด็กเรียนอายุสิบขวบเป็นเด็กนักเรียนน่ชื่อเด็กหญิงทิวลี่นามสกุลสมิธ ท, ทิวลี่สมิธ ท, ทิวลี่เนี่ยนะนะมาเที่ยวที่ภูเก็ตที่หาดไม้ขาวจังหวัดภูเก็ต ตอนสิบโมงเช้าวันที่เกิดสึนามิเนี่ยมันเกิดสึนามิตอนสิบโมงเช้านะก่อนสิบโมงเช้าเนี่ยทิวลี่เนี่ยนะกับคุณพ่อเป็นฝรั่งมาจากอังกฤษคุณแม่และกับน้องสาวเจ็ดขวบตัวเล็กๆล็กท่ากับพวกเราเนี่ยเดินลงไปที่ชายทะเลพอเดินไปที่ชายทะเลนะเด็กหญิงทิวลี่สะ ก, กิดแม่แม่แม่แม่แม ทำไมอะนูคลื่นยักษ์กำลังจะมาตอนนั้นยังไม่มาเลยนะเด็กมันรู้ได้ยังไงเด็กตัวเล็กๆเ่เยนะ เ, ออเด็กมันบอกคลื่นยักษ์กำลังจะมามาไงทำไมถึงบอกว่าคลื่นยักษ์กำลังจะมาฮะไม่ใช่ตอนนั้นน้ำยังไม่ลด เออเป็นไรครับน้ำคุ ณ, คณยังไม่ใช่ฟองครับฟองมันแตกฟองฟอดเลยเหมือนฟองเบียเน่ยเวลาพ่อรินเบียเนย่เด็กมันสังเกตเนละมันมีฟองขึ้นฟองฟอดเลยตอนนั้นคลื่นยังไม่มาแต่น้ำทะเลมันเป็นฟอง แสดงว่าคลื่นยักษ์กำลังจะมานะแม่แม่ก็ถามแล้วหนูรู้ได้ไงก็หนูเรียนมากับครูที่โรงเรียนน่ะที่ที่โรงเรียนในโรงเรียนปถมอะที่ลอนดอนน่ะก่อนมาเมืองไทยสิบห้าวันโอ้ครูเขาให้ทำรายงานเรื่องคลื่นยักษ์ในญี่ปุ่นญี่ปุ่นมันจะสึนามิแปลว่าคลื่น ยักษ์ที่อยู่ในท่าเทียบเรือปกติคลื่นมันจะอยู่ในในทะเลใช่ไหมมันไม่มาถึงท่าเทียบเรือหรอกยกเว้นแต่คลื่นยักษ์ก็เนี่ยเขาให้ทำรายงานเรื่องนี้แล้วครูก็เอาอภาพคลื่นจริงๆเนอะเวลามันมาเนี่ยเขาถ่ายภาพที่ฮาวายไว้มีฟองฟอดอย่างนี้ล่ะแม่คลื่นกลังจะมานะแม่เราหนีเถอะ แม่ก็บอกยักษ์ไหลนะทำหน้าเบ้โอ้เด็กๆจะมารู้ดียังไงไม่เชื่อเดินลงไปที่ชายทะเลทิวลี่บอกแม่ถ้าคลื่นยักษ์มานะแม่มันสูงท่วมต้นมะพร้าวเลยนะตายหมดนะแม่ตายหมดน้องสาวอายุเจ็ดขวบพอได้ยินว่าตายหมดเท่านั้น สะบัดมือจากพ่อเลยร้องไห้กลวกคลื่นยักษ์วิ่งหนีกลับขึ้นที่โรงแรมที่สูงพ่อก็เลยต้องวิ่งตามลูกสาวทิวลี่ก็วิ่งตามพ่อแม่ก็เลยวิ่งตามทิวลี่ไอตัวเล็กร้องไห้แงๆวิ่งกันเป็ น, ปนแถวมาพนักงานโรงแรมก็เห็นฝรั่งนะวิ่งกันมาเป็นแถวก็เลยถามว่าวิ่งทำไมพ่อก็ลูกมันร้องร้องทาไม ไอ้ตัวนี้บอกว่าคลื่นยักษ์จะมามันขู่ว่าคลื่นยักษ์มาไอ้ตัวเล็กเล็กกลัววิ่งกันมาพนักงานก็เลยถามนหนูทำไมว่าคลื่นยักษ์จะมาเอาก็นั่นไงแตกเป็นฟองมาทะเลแสดงว่าคลื่นยักษ์กำลังจะมาพนักงานโรงแรมเขาอยู่มาเขาไม่เคยเห็นฟองฟอดอย่างนี้เลยเขาก็เลยไปเรียกนักท่องเที่ยวนะกาลังจะเอาเรือออกนะไปเที่ยว บางคนก็กำลังอาบน้ำทะเลบอกขึ้นขึ้น้ น, น, นเป่านกวีดเลยนะทุกคนขึ้นหมดเลยเพราะขึ้นที่สูงเท่านั้นแหละเป็นยังไงรูมน้ำทะเลมันลดอีกนะเออน้ำทะเลมันถอยเป็นร้อยเมตรเลยมันหายเข้าไปในทะเลมันถอยไปก่อนปลาดิ้นกระเดียวกะเดียวคนจะวิ่งลงไปจับปลาอีกบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาขึ้นมา พอขึ้นมาที่สูงน้ำมันกลับมาเลยเหมือนเคยเห็นไม่เสือเวลามันจะขย่ามันจะถอยย่นมาก่อนเนี้ย น, นั่นแหละน้ำน้าเซนามิถ้าน้ำมันลดลงไปเนีมันจะตั้งท่านะ้มันย่อตัวนะเหมือนเสือเนะี้ยแล้วมันก็กระโดดถ้าเห็นเห็นน้ำทะเลถอยนะวิ่งหนีเลยทีนี้พอน้าทะเลมาปรากฏว่าทุกคนลอดตายนะ โอ้ยนี่ถ้าไม่ได้เด็กหญิงคนนี้นะ่เที่นะตายหมดแล้วนี่ตายหมดแล้วเป็นร้อยคนนะฝรั่งรอดชีวิตเพราะเด็กหญิงทวรี่สมิธกลับไปที่อังกฤษเขาก็ไปลงหนังสือพิมพ์นะฝรั่งนะบอกว่าเหตุเกิดที่หาดไม้ขาวจังหวัดภูเกต็ตแล้วนิตยสารฝรั่งเศสให้รางวัล ชายออ of the y ย a ยยอดเด็กแห่งปีแกเด็กหญิงททวรี่แล้วสมาคมดาวเคราะห์น้อยที่พบดาวเคราะน้อยในปีนั้นตั้งชื่อตามชื่อททวรี่สมิธโอ้นีคนก็ไปสัมภาษณ์เทลรี่ทำไมเธอเก่งจังบอกหนูไม่เก่งหรอกครูสอนเก่งครูชื่อแอนดรูเคนี่ สอนดีแล้วเกิดนะเห็นภาพติดตาเลยนะเอาวิดีโอมาให้ดูนะพอติดตาแล้วเลยรู้ว่าจะเกิดสึนามิเตือนพ่อแม่ทันพ่อแม่หนูก็ไม่ตายน้องก็ไม่ตายและคนก็ไม่ตายแต่จริงๆต้องบอกว่าเพราะทีวรี่ตั้งใจเรียนถ้าสมณีทั้งหลายนะศึกไปเรียนหนังสือตั้งใจเรียนนะความรู้ทุกอย่างเป็นประโยชน์หมด เราอาจจะไม่ได้เอาความรู้ไปสู้กับ t s u n a m แต่เวลาเกิดเรื่องเกิดอะไรต่างเรื่องอื่นเราเอาความรู้ไปใช้เวลาไปทำงานเวลาไปสอบเข้าไปอะไรต่างความรู้เป็นประโยชน์ทุกอย่างอันความรู้รู้กระจ่างเพียงอย่างเดียวแต่ให้เชี่ยวชาญเถิดคงเกิดผลอาจจะชักเชิดชูฟูสกล เป็นคนจนพงไพร่คงได้ดีสรุปธรรมะสี่ข้อมีอะไรบ้างครับวันนี้ธรรมะพื้นฐานหนึ่งจริงจังสองธรรมะฝึกตนสาขันติอดทนสจากเสียสละทิวลีสมิตมีข้อไหนบ้างมีสัจจกไหมครับ ที่สู้กับมีสัจจ์เพราะเรียนจริงใช่ไหมครับเข้าห้องเรียนไม่โดเรียนเลยเรียนเรื่องสนามิได้นี่มีศัจจ์มีธรรมะฝึกตนไหมฝึกตนครูให้ทํารายงานส่งรายงานไปดูวิดีโอนี่ฝึกตนอดทนไหมอดทนอดทนเรียนอดทน เ, เวลาพ่อแม่แม่ไม่เชื่อก็อดทนนะจนกระทั่งน้องวิ่งเนะ แล้วเสียสละก เ, เสียสละตรงไหนเสียสละเวลาความสุขสนุกไปเรียนหนังสือแล้วเอามาใช้ได้เอาละวันนี้ธรรมะขั้นพื้นฐานฝากสามเณรทั้งหลายศึกษาลาเพศไปนะจำให้ได้สี่ข้ออ้าวบางคนยังจำไม่ไดอ้อ้พร้อมๆกันอีกทีครับทบทวนครับข้อหนึ่ง สองา ส, สามาสี่ต่ตนสเสียาไม่มีแล้วข้อหนึ่งข้อสองข้อสามาข้อสี่ อ้าวดีมากเมื่อเรามีสัจจะบวชถวายพระกุศลแก่รัชกาลที่9บวชจริงจริงไหมครับจริงจังสัจจะแล้วฝึกตนสวดมนต์บินทบาตนั่งกรรมฐานอะไรต่างๆเรียนหนังสือมีธรรมะฝึกตนนะและเราอยู่ที่นี่จนครบกำหนดขันติอดทน เราอยู่ที่นี่อดเข้าเย็นไม่ได้ไปวิ่งเล่นเสียสละทําสําเร็จแล้วได้บุญกุศลมากต่อจากนี้อา่านั่งพับเพียบครับประนมมือถวายพระราชกุศลพระถวายพระราชกุศลถ่ายภาพเด่นถวายพระราชกุศลเอยประนมมือตั้งตัวตรงนะถวายพระราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่เก้าพร้อมกันอา้า รัตนัตยานุภาเวนรัตนตยเตชะสาด้วยเดชะบารมีแห่งคุณพระศีรัตนไตรัยและบุญกุศลมหาศาลที่เกิดจากการบรรพชาของสมณเณรทั้งหลายความดีที่เกิดจากการสวดมนต์ภาวนาศึกษาเล่าเรียนภาคเพียนปฏิบัติฝึกหัดทั้งปวงที่สมณเณรได้ประเพ็ญ ให้เป็นไปขอจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยถวายเป็นพระราช ก, กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนธรรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อเพิ่มบารมีธรรมแห่งพระองค์ท่านยิ่งขึ้นไปในสัมปรายภพสมนังเจตนาปาราบทุกประการอันหนึ่งบนกุศลนี้จงเป็นปฏิพรย้อนสนองแด่ โยมพ่อโยมแม่ผู้ปกครองครูบาอาจารย์ผู้ประถมทั้งปวงและสมณเ น, นทุกรูปให้มีความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธรรมสารสมบัติธนรรสารสมบัติรรรรตปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้ธรรมก็ขอให้ความปรารถ น, นานั้นจงพันสาเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็ จ, จ, ร ส, รจสมโนรรถมุ่งมา่ปรารถนาทุกประการ ตลอดกาลละนานเทิน